เอ่มืต่อมาก็เนี่ยท่านนายกก็ได้ไปเป็นประธานได้จุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเมื่อจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ได้ไหว้พระย่อแล้วก็ออได้อราธนาศินอนาณาศินเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อเองในนามคณะสงฆ์ประธานสง์ที่ให้สินเตะตามไม่จริงไม่ใช่ให้ศินนะ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 ก็ต้องรู้พอรู้ก่อนช้างเท้าหลังพราะพวกเราหมกมุ่นในการทำมาหาเลงชีพยอย่างลุงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นลุงพ่อจะแนะนำเรื่องของสินที่พวกเราจะรับสินนี่รับมาอย่างไรทำไมคนวบราณเกืจริ ง, รงพารับสินแล้วพวกเราจะรับไปเพื่ออะไรได้ประโยชน์อะไรสินมีคุณท่า ย, ยัางไรมีคุณสมบัติอย่างไรพวกเราจริง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 คควาจะไม่เป็นธรรมคือโกหกหมุสาวาทาพูดปลดไม่พูดความจริงนี่แหละพระพุทธเจ้านะว่าพวกคนพยายามพูดความจริงอย่าพูดโกหกถ้าพูดโกหกต้มตุนหาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้ถามเด็กก็โกหกผู้ใหญ่ก็โกหกทุกพูดไหนๆก็โกหกถามพระพระก็โกหกอะพวกเราคิดดูใช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 ก็คือว่าเราได้ประมาทพลาดพังพระคุณท่านหรือพ่อแม่ปูบาอาจารย์หรือวัยวุฒิคุณนวุฒิโดยกายจกรรมโดยกายด้วยวาจาด้วยใจว่าหัวท่าน โ, โหสีให้อันนี้แหละคือวัคารวะนะแล้วก็รวันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่คณะสัทธาญาติโยมที่ท่านผู้นำได้ให้หัวข้อว่า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 เราเผาไม่รู้ว่กี่คนตัว ก, กี่คนมือนเราปู่ย่าตายายของเราแต่ใจของเรานะั้นไม่ตายไม่มีไม่มีป่าช้านะหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าใจไม่มีป่าช้าแต่กายท่มีป่าช้าเนีนามาธรรมตอนนั้นแหะจะเป็นปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลมีพ่อค้าทองอยู่ในกรงสาวัตถีเหมือนกันแต่ลูกชายเนี่ยไปสู่วัดไปวัดว า, าศาสนาฟังเทศได้รู้อรรู้ธรรมจากพระพุทธเจ้า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 ไม่ได้คิดไปเจ้าค่ะนั่นแหนะคิดไว้ได้นะเกิดมาแล้วตายตายแล้วไม่ศูนย์ก่อนที่จะตายไปนะนะั่นแหะท่านได้เตรียมสเสบียงไวไ้เลยอยา่างได้เตรียมบุญกุศลไวไ้เลยอยา่างถ้ายังไม่ได้เตรียมไวนะ้เนี่ยท่านออกไปท่านเดินทางไปเนะี่ยออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วท่านตายไปและนะ้วน่ะท่านจะต้งทุกข์นะถ้าท่านไม่ไม่ได้เตรียมสเสบียงเดินทางเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมนะอย่าประมาทนะตายแน่นะ่ะให้สร้างบุญสร้างกุศลไว้นะ